นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ อาจิรังวัตยังกายโยปัฏวิมอติเศสสติชุตโดอเปตวิญญาโนที่รักทั้งวัคคายินขันติบัดนี้เะเดสเดรัลพระสัทธรรมาเทศนา ที่เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิรุภาพเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมสวรร น, นาไม่มีสงแจบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะเหตุนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านเพ่งได้ตั้งจิตตั้งใจของตน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 เป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นกุทธบริษัททุกๆ ท, ท่านพราะธรรมะคำต่องสอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่จะหรอพฤติปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตาม ธรรมะคำตังสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องที่แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ย่อมเป็นความจำเป็นสำหรับผู้บาลีหรื อ, อวรความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในกิจการนั้นๆให้ถูกต้องและราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัติ ในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าประอจาก์การสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมอาจสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นบนรรดากิการงานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนียกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจริงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเห็นคิดอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่ากิการงานใดๆทั้งนั้น ถ้าปราศจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆนย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะ อ, อย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองสาเร็จพระภูมิพระภากจ้าจึงต้องสนพระภัยหรือตนปรากฏว่าได้่างพระบารมีมา เป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำมรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้นำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าจะย้ำผูกรู้เองเห็นเองก็ตาม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 บวดเป็นคนขอทานในกษัริย์ศาสนาบำเป็นความภาคความเพียรเจริญภาวนาละพระพิฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี้คือใครต่เห็นเป็นสมณะ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 ของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายแล้วเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในสระไทยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวารหรือหอประสาทราชสมุทเทียนที่เราอาศัยอยู่ ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็ยนเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเส้นเดียวกันกับฝ่ายช้าที่ดิบไปเสียทั้งทิ่นแม้หอปราสาทที่เราอยู่น้บัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะลมจมหรือทลายลงเมื่อไรที่ระ น, นานย้อนเข้าไปถึง พระองค์เจ้าอีสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ประชุมขึ้นมาจากพิมน้ำลงไปกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยู่นะบัดนี้จ่นทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเที่ยงแค่ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่แนไหนซึ่งพระองค์เจ้าจะ แล้เข้าพึ่งทิ้งอองอาศัยให้เป็นความร่วงเย็นกระไทก็มองเห็นอยู่แต่ทางเดียวที่คือการเสด็ออกตรงผนวดเพื่อจะหาที่มีเวกสงัดประกอบความภาคความเพียรพิจารณาถึงเรื่องต้นเหตุคือป่าท่าทีผีดิ์ที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นให้ทัดแจงทัดเก่ย์แจ้งลงไป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 จนกระทั่งทั้ทงดินแดนในไตโรโลกภาพนี้มีสภาพเส้นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่มยินเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเส้นเดียวกันกันกบเรานี่ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางตรงพระนวด ได้ที่นิจคิดนาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้ชัดเจนในพระภัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆมีก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของมีอยู่โดยทั่วปัดให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความเสวยสังเม็ดในความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เต็เต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสารไม่ว่าเขาไม่ว่าเรา ไม่ว่าคนหรือสัตว์ชั้นไหนๆเมื่อตั้งรูปสร้างกายขึ้นมาแล้วความแปรสภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆามกันอย่างนี้มีเป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องตน้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเทียงในคนอื่นตัดอื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบทิมอันเดียวกันถืออ น, นิจจังคำแปรสภาพ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 โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เราพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิพิจารณาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอน คือหมายคำว่าโรกุตตะธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็โปรงท่ไทยสเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งครั้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัต ร, ริยูและมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแดนแฟล้ง แ, และในโร่มพระบา ร, รมีของพระองค์แต่ก็สเสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายช น, นะ ตามสเสด็จเพื่อจะนํามากันพักะกักลับคืนเท่านั้นก็ได้เสเด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจมแจ้งชัดเจนขึ้นย่นหัวข้อใจความที่พระองค์เจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาเป็นเวลาหกปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตา เพราะกษัตริย์เสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทางนั้นเครื่องทรงทุกๆุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารกา ร, รบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทุกๆุกอย่างเป็นของกษัตริย์ ท, ทั้งนั้นเมื่อได้สเสด็จออกตรงพนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสมบูรณ์ไป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 คือในเจตสิกกรรทก็แสดงความแปรปรวนหมุนเย็ยนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตปรุงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ให้เห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกภาเห็นจเป็นสภาพว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้น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 มาเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นไม่ชัดแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกให้เห็นชัดโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคนเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจญญาสร้างข้าราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำหนับลำหนับเรื่องความเกิด ตั้งกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อขแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นจริงเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไป็นจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเห่าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อขแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์ทจ้าและพิจญาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชามาเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้ว จึงได้กำหนดที่นีุ่เจนาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเทนปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชาก็ได้แตกประเด็นไปจากพระภัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเทนมีเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้คบคิด ทีนี้พิจรณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็นนับเต็มเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดจกเจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและภาตุขันทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบคาดว่าพุโทโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระภัยของพระองค์ เป็นพุโทโธที่พ้นจากที่เดชตัณหาอาสวะเป็นพุโทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุโทโธที่หมดความความกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้ น, นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุจนะธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งส ม, มุด คือแดนแห่ง เ, เกิดแกจิบลายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัส ร, รู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระภัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาศัพท์แต่การตรัส ร, รู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้นมีความท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนศัตท์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์ ผู้ที่มีกิเดสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อในพระองค์เมื่อพระองค์ได้พิ่จรณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบเท่ากับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้รับรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาข้อดําเนิน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 จึงปรากฏมาพระองค์เจ้าได้เป็นศาสตาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาท่านพุทธคาสนิกระชนทั้งหลายได้อุตสาห์พยายามมาสุบําเป็นกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีท่านถึงมรรภาพ บางจุศพของท่านไว้ในโลดและได้มาสลับปรับฟังพระธรรมเทศนาได้มาโปรงธรรมสังเวศว่าท่านจะคุณกับพระธรรมเจดียกับเรานี้เป็นสภาพธาตุดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามมาลีที่กล่าวขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าอาจีรังมัตยังกาโยการนี้เป็นของไม่สังอยู่ในนาท้าวอเช่นเดียวกับ การกับของพระคุณขัน้นปฐวิงอติเสตสติอย่างไรก็ต้องจะต้องนอนทับในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วมีแสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ทีนิพพานา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 ก็ต้องย้ำ้อยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปรากฏเป็นศักดีพยานของพวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายที่มานี้จึงมาพงพระธรรมสังเเวสเป็นเหตุที่จะแห้่ลึกถึงตัวของเราไมาประมาทนอนใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องพยุงจูงใจเราให้ประเกิดในสถานที่ดีแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม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 ในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราก็เป็นมัชชิมาคความที่เราจะทำคุณงานความดีก็กําลังพอดีพองามเป็นมัชชิมาสามารถที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการเกิดทําของหนึเมื่อตายแล้วนั่นจึงหมดที่ัยที่จะทำดีต่อไปก็ดี จะทำชั่วต่อไปอีกก็ดีทำไม่ได้นี่เราถังมะกรีนคันังท่านกเกลียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ท่อนไม้ท่อนปืนนั้นเอามาทำเป็นปืนหงสต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นปืนเป็นฐานก็ทำไม่ได้ แต่ทำปราหน้าปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสําหรับเราจะบําเพ็ญคุณงามคําดีต่อไปก็ไม่ได้พระองเจ้าท่นานได้กล่าวไว้ว่นานิพพานนางปรามังสุญญ์พระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่ศูนย์ชิ้นจากทุกจากใครจากความเ น, นียดจังไลทั้งหลายทุกๆุกทุกทุกทกทกอย่างนิพพานนางปรามังสุกขังในขณะเดียวกัน เมื่อสูญชิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้ น, น, นยังกลายเป็นธรรมบร ม, มสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหะโซจิมานันโนดหิตจังปัทลิเตสติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราสถาคนในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปรากฏอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้น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 โรงหนังโรงดิเจโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหือมเป็นเหตุให้เสียนสายตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียเงินเสี ย, ยทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เพลินไปเสียโดยมากการที่เรามาดูใน หนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพพยนต์มีอยู่ตัวกับตัวของเรานี้จะไม่ต้องเสียอาชีวะตาตางยิ่งจะได้เกิดธรรมะสังเคราะหเป็นเหตุที่เคยเดินตามรอยของพระองค์เจ้าว่าโคโนฮะโซฮิมานันโดอย่าพากันรุ่นเริงบันเทิงจนเกินไปให้มองดูสุสานกายความแก่ความเฒ่าความเจลาความจะแตกความจะทําลายนั้นจะไม่ทําลายที่ไหนนอกจ ะ, จะแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรา รีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อัศ ด, ดุลคือตัวของเรายัางไม่ตายให้รีบเดินตามพระธรรมคตมาเดี๋ยวนี้พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจะไม่กุ้มลุ่มเทาล่นท่านทั้งหลายอีกต่อไปเช่นอย่างเราธรรคตนี้แล้วธรคตนี้จะเกิดสุดท้ายในครั้งเดียวเท่านี้จะได้เป็นคู่ที่ตัดขาดจากนิจจากทลาย ความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไปจะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเพียวนี้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรณาเราพุทธบริษั ท, ทั้งหลายได้ทราบธรรมะคาสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงกลับไปนั้นเป็นมัชชิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทําดีวันไดทําความชอบ เมื่ อ, อไรให้ทานบันไดเจริญภาวนาได้รับสติเมื่ อ, อไรเป็นคุณางามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวลาให้เดินตามสถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ทังแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกคือนิพพานังปรมังสุญญยงหนึ่ง มาแกนิพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจากสิ่งข้างบนทั้งหลายชื่อว่ากองทุกเนยแม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพานนั้นหนึ่งนิพานังประมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพานนั้นหนึ่งโกนุฮาโซจิมานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพื่อเพลินลื่น เ, เดืองมันเทิงกับท่อนไม้ท่อนคืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปล อ, อดอยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรถานพดไป ด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าเป็นผู้นอนใจประมาทในชีวิตสังสารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเ่าแล้วทำไมจึงทางกันปรมาทเล่านี่ยแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมาชาติสังสารร่างกายทั้งเราเขาแสดงการคาดทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้น่ะเป็นสภาพที่ว่าถ้าพูดรามภาของเราก็เหมือนหนึ่งว่า แสดงความขัดข้องหรือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเวละทําไมจึงต้อแสดงความเอาเปรียบเอารัดอ้าวถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงน่ะอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่นานต้องพยายามพันเน่าพนาอุปธรรมอุปถาดดูแลรักษาเบียบททั้งสี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําเพื่อกายของเดี่ยนี้ทั้งนั้น นี่โลกอันนี้เป็นอย่างนี้แต่การแสดงธรรมะทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำาระพิปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แต่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิตของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีลังวัตยังกายโยูไม่ว่ากายของใครใคทั้งนั้น ไม่กีรังขาบ่อนเรื่องเกิดเกิดตายตายถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้งหกสิบเจ็ดสิบปีก็าตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็คล้ายๆกันกับว่าเป็นเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่การลำลีลำไ ร, ำไรการซ้ำซ้ำซากๆแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่นาลำคาญสำหรับนับกปรารถนาเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราชคือพระพุทธเจ้า แม้จะไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปพินิจิารณาและอุปสารประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของผู้บงเจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรร ม, มเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมมีพระภาคเจ้า พ, พร้อมทั้งเพื่อทำและประสงค์ จงมาประกาศเรท่านพุทธศาส น, นิกชนทั้งหลายที่ได้อุตส่ามาด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจให้มีความสุข ก, กายสบายใจทุกทิวาราตรีการดังนี้รับประทานวิสัชนานมาในธรรมะคำอสอนขององค์สมเด็จภูมีพระภาคเจ้าก็าเห็นมาสมควรจีเวลาขาอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี